ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรโฎิยานในวันนี้ก็คงพูดเรื่องความเป็นมาแห่งสักกายวงต่อไปวันก่อนแม้ข้อความจะสั้นไม่ยาวนะแต่ก็มีข้อที่น่าศึกษาอยู่ประการหนึ่งก็ไม่ใช่ประการหนึ่งคือหลายประการคือแนวความเชื่อในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งงานในเผ่าพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกันคือว่าในเครือวงศ์สาคณะญาติเนี่ยแล้วก็มีการพูดกันในทรรมนองที่เรียกว่าปัญญาจะอ่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะจนหมดสภาพแต่ถ้าเรามองสายตรงนีเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้ที่ยิงก็เฉียวฉลาดมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคของพระพุทธเจ้า หือแม้แต่พาราคุณแม้แต่อะไรต่อไรเนี่ยคือเชื้อสายเนี่ยก็ยงใหญ่กันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็ไปขัดแยง้งในทฤษฎีทางวิชาการเด็กเก็พูดกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะฮะว่าทําไมว่าทฤษฎีมันว่าอย่างนี้แล้วก็มันออกมาเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ในการในยุคสมัยตรงนั้นมันก็กลายเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่า คนเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามยิ่งอยู่ในฐานะชั้นสูงเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอิสเซชันเช่นราชวงศ์เช่นข้าราชการเช่นพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นว่าข้าราชการเนี่ยอย่างพวกแพทย์พวกพยาบาลพวกครูอาจารย์พวกนักสังคมสงเคราะห์พวกตำรวจพวกฝ่ายปกครองพวกฝ่าย สาธารณสุขอะไรแถวแล้วเนี่ยะแถวที่มันก็เรียกว่าบริการสังคมหรือทำงานในรูปของคู่นูปการต่อสังคมตามปกติแล้วความรู้สึกนึกคิดของสังคมต่อคนกลุ่มนี้นะคือมันบวกมาตั้งแต่ต้นอย่างราชวงศ์เนี่ยสมมติว่าระดับที่เป็นพระเจ้ากระราชิดาเนี่ยมันได้รับการเคารพนับถือตั้งแต่ ข่าวสุงพระคันนะยังไม่สุงมีประสูติการลนะแล้วก็ออกจากคันก็รอคอยกันด้วยความยกติใจพอประสูติปั๊บในี่คนไหวแล้วเรียกคะแนนมาเต็มทั้งร้อยแล้วพระสงค์เองก็มีรัตนายางงี้ลูกตศสีตาสายห่มาจะมีที่ไหนก็ตามนะะ เมื่อได้ผ่านวิธีอุปสมบตรกรรมมาก็คะแนนผ่านมันอาจจะไม่เต็มร้อยหรอกคะแนนผ่านแต่ว่าก็ไม่ใช่ผ่านแบบผ่านชิ้วเฉียดห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็คงจะไปแถวหกสิบเจ็ดสิบหรืออาจจะถึงแปดสิบไปแล้วได้ทำไปถ้าสถานะดั้งเดิมของคนเหล่านั้นใหญ่อ ย, ยอยู่ด้วยหน่อยนะเป็นอิสยชนเป็นตัวเสริมอยู่นะ เ, นเสริมอยู่ใกล้ๆ ก, กับสมุติราชวงศ์สเสด็จดอกพอนวดอย่างเนี้ย คะแนนมันบวกซ้อนกันเลยคนก็ให้การเคารพนักถืออย่างพระมหาทเทระพเทาแล้วก็อาจจะยิ่งกว่าได้ทำไปกาะจการเองก็มีอย่างนี้คือตามปกติแล้วจะได้คะแนนผ่านทั้งหมดปัญหาสำคัญว่าตอนได้เนี่ยมันเป็นการได้ที่ไปยึดโยงอยู่กับองค์กรที่ตนสังกัด คือว่าเป็นสถานภาพตามสถานภาพพอเราเข้าไปสังกัดในองค์กรเหล่านั้นเราก็ได้คะแนนในลักษณะนี้แต่ประวัติศาสตร์เองนั่นแหละมันก็สอนอะไรเราว่ามีราชวงศ์เป็นนันมากมีพระราชกุ ม, มารระราชกุ ม, มารีแม้แต่พระราชาธิปดีถ้าวางพระองค์ได้ดีอยู่ในทศพิตราชธรรม สามารถสืบสันติวงศ์ได้ยืดเยื้อยามนานแต่ถ้าหากว่าไม่ดำรงอยู่ในธรรมมันก็ถูกคนล้มทำลายถูกเปลี่ยนแปลงราชวงก็อย่างนึกเทียบเคียงคล้ายๆกับกลบปลูกป่านะเห็นไหมเรออาอาศาพัฒนาปลูกป่าเนี่ยแป๊บเดียวนะได้เยอะเลย แต่ว่าการทํานุบํารุงรักษาป่าเนี่ยมันเรื่องใหญ่กว่าเยอะปลูกลงปลูกได้นะฮะเกณฑ์คนมาเป็นแสนปลูกสักล้านนั่นก็ได้แต่ปัญหาถามว่าการบำรุงรักษาเนี่ยทำไดงไงเพราะกันทุกทุกอย่างเลยนะฮะการบำรุงรักษาสถานะของความเป็นกษัตริย์บํารุงรักษาสถานภาพของความเป็นพระบำรุงรักษาสถานภาพของความเป็นกรารจัการเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าโครงสร้างอ ง, องค์กรนั้นมันจะต้องปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับประชาชนภายในแผ่นดินที่กําหนดเป็นโครงสร้างมาทศพิราชะทำหรือข้าราชการเนี่ยตามโครงสร้างของราชการจริงๆพูดง่ายๆเนี่ยมันอยู่ตามความขวัญของกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละคือต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่อาาประชารัศดร เราก็มาทํางานในพระปรมาภิไธยนั้นที่จริงเนี่ยคือข้าราชการในก็ต้องถือว่าทํางานในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เบื้องบนจะต้องถวายความจงรักภักดีเนะี่ในตัวเองจะต้องยิงธนูในเกียรติศักดิ์สีต่ออนณาประชารัฐดรนั้นต้องมีความเมตต์ความรักความเมตตาตรงนั้นแล้วเราก็สามารถ ทักทอความรักความเคารพความศรัทธาให้หนักแน่นกันได้เรื่อยๆแต่ก็จริงแนมะ้แต่ระดับประธานาธิบดีระดับนายกรัฐมนตรีระดับข้าราชการผู้ใหญ่ก็บางทีก็ถูกเดินประท้วงเดินขบวนประท้วงเดินขบวนขับไล่บางทีก็ถูกฆ่านะ เราจะเห็นว่าผู้นําประเทศผู้อะไรต่า ง, างๆนายกรัฐมนตรีนี่ก็มีอยู่เยอะก็ตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้ความอยากเป็นของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสแตเป็นแล้วเนี่ยมันต้องปฏิบัติภารกิจตรงนี้มันต้องมีพื้นฐานดังกล่าวคือจเบื้องบนจะต้องถวายความยินรับพัะงดีตัวเราเองจะต้องทรนงในศักดิ์ศรีเพื่อพัภูมิในสถานภาพที่เราเป็น ในขณะเดียวกันกันกบประชารัษดรจะต้องมีเมตตากรุณาอดทนสารพัดก็คงจะอยู่ตามโครงสร้างของเสียมาติจิราช จ, จงกิจน้อมพักดีทันนารักชาติกอบกรณีแนวไว้รักษักกอบบุญรีสุจริตทนเถินรักษักจงกิจให้โลกซองสนเสริมพระเราเองก็เถอะ เห็นไหมมีข่าวคราว้าบ้านขับไล่้าบ้านประท้วงถูกจับศึกถูกอะไรต่ออรถ้าท่านไม่ทำอะไรสาหาัสส า, ากัรแล้วเนี่ยมันไม่สอบตกคะแนนไม่ติดลบ ก, กันขนาดนั้นหรอกเพราะเรื น, นี้กลายเป็นบทเรียนคือเราเห็นว่าร า, วราชวงศ์ของระจงศักยะแลโกริยะนั้น มันเกิดขึ้นจากแรงของความรักความพักดีความสงสารความศรัทธาแล้วตนถึงกัตัญยูนะฮะต่อแม่ของราชกุบารราชกุ ม, มารีเหล่านั้นทำไมอนาประชารัฐดรนซึ่งก็คงจะมีคนดีออกมาเยอะเพราะสร้างเมืองได้เร็วแล้วกันมีคนดีตามเสด็จมาเยอะซึ่งก็หมายความว่า เมืองเดิมของพระเจ้าโอกากาการาชซึ่งครองโดยพระอนุชาเนี่ยคงเสื่อมสุดไปนะครับเพราะว่ามันก็ปรากฏนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่าต่อไปมันเป็นยังไงบ้างและแม้แต่ในพระสูตรต่างๆนะครับพูดถึงราชวงศ์สกยะอยู่ในหลายเมืองและบางเมืองก็ดูแลก็ห่ า, หางไกลกันแสดงว่า ก็มีราชวงศ์เหล่านั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้พูดถึงราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากพระนุชาองค์เล็กพระอนุช า, ชาตาแมนดาเนี่ยเราก็ตามไม่เห็นว่ามนุษย์เราเวลาเนี้ยเรายิ่งอยู่ในยุคที่มีการเลือกตั้งมีอะไรตะไระหนกมากมายกันก่อนปัญหาสําคัญว่าเราเป็นใครเนี่ยไม่สําคัญะสําคัญว่าวางตัวอย่างไรความรู้เราเป็นยังไง ความคิดเราเป็นยังไงความสามารถเราเป็นยังไงคุ ณ, ณธรรมเราเป็นยังไงแล้วก็สังคมมีท่าทีต่อเรายังไงมีความรู้สึกต่อเรายังไงอย่างก่าวกราวที่มีการหาเสียงเช่นเอหาเสียงผู้ว่ากาทรทมหรือหาเสียงสส อ, ออะไรก็ตามเราตั้งเได้คือมันไปแส ด, แดงความกักขระออกมา เสนอตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตที่คนอื่นจะต้องโคง้งคำนับให้ในโอกาสต่อไปนะแต่ว่าด่ากันกระดากันจะรู้สึกรกฟังเอมันมันน่าขยะขยงเดี๋วคนเหล่านี้มันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงๆได้แดีวคนก็ต้องเรียกให้ความเคารพเรียกพระนะเรียกท่านเรียกอะไรต่อนไะ้ ซึ่งมันน่าจะสะท้อนธรรมะแล้วเราสังเกตอย่างสถาบันบุคคลสามสถาบันหลักเนี่ยคนนี้ที่จริงเนี่ยโครงสร้างซึ่งเราสามารถจะมองสังคมเนี่ยว่าคนในคนในโลกเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตที่โครงสร้างชีวิตองค์ประกอบขององค์กรเนี่ยแนวหนึ่งมันจะหนักไปทางบริการสังคมเหนือตนเองคือให้ความต้องการแก่สังคมเหนือตนเพราะน่ก็คือสถาบันทางราชการ กระทรวงต้องวงกลมต่างๆนะฮะตลอดถึงรัฐจีจนายกงบุรีแล้วก็องค์ประมุขประมุขอะไรก็ได้นะเป็นประธานาธิบดีก็ได้ใครก็ได้ถ้าเหล่านี้จะมีฐานะเป็นบริการสังคมเหลือตนพื้นฐานต้องรักมนุษยชาติถ้ามาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่รักมนุษยชาติแต่มีความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเรามาห้ามหันกัน เกิดมายังเคยชิดแล้วก็ที่จริงตั้งใจจะเขียนน่ๆเพราะว่ามันเป็นมีพันท่าทางใจอยู่กับท่านผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันชื่อนายแพทย์เกิดธนาชาติท่านจะนึกอะไรของท่านไม่รู้ท่านก็ธานาณัดเงินมาส่งเช็คมาถวายมื่นบาทบอกว่า อยากจะขอให้ท่านเจ้าคุณช่วยเขียนตอนหน้ามาเป็นประสบผลการณ์พรนช่วยเขียนเรื่องประชาธิปไตยโดยอาศัยการันตอยู่กะัตะเวชีนี่เป็นพื้นฐานถือว่าเป็นพันธะทางใจที่ต้องทำนะนะคือยังมีความรู้สึกว่าไอ้จิตวิญญาณจริงๆของคนที่เป็นประชาธิปไตย มันอยู่ในฐานะของผู้บริหารแล้วเมื่อบริหารเนี่ยเรามองแบ่งแยกไม่ได้เช่นเราเป็นนายกธนตรีเนี่ยไ ป, ไป แ, บแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เพราะเดินมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเป็นใครมาก่อนไม่สำคัญเวลานี้คุณเป็นนายกแล้วคุณเป็นนายกในทุกคนคือคนที่คุณต้องรับผิดชอบคุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาแต่เขาก็มีสิทธิ์จะด่าเราก็ปล่อยเข้าไปแต่เราเองต้องแผ่เมตตาเท่านั้นเองมันทําอย่างอื่นไม่ได้ เพราะในใจที่แผ่ไปมันสัมพันธ์สอดคล้องกับสถานภาพที่เราเป็นใกล้ๆก็เป็นสุ่มพานวัดเนี่ยต้องมีความรู้สึกต่อลูกวัดทุกคนเด็กวัดทุกคนแม้แต่หมูมากาไก่ในวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นพวกของเราเรามีปัญหาอะไรช่วยเหลือก็ช่วยกันมีความรับผิดชอบในการแบ่งเบาภารกิจการงานกันไม่ได้สร้างความรู้สึกเป็นเราเป็นเขา คือเรางสังเกตว่าจุดแตกแยกตรงนี้มันเกิดเป็นเราเป็นเขาเพอเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ไม่ได้มีความคิดในการที่จะรักษาไอ้แบบแผนที่ดีงามเพอถึงยุคสมัยตรงนั้นที่จริงแค่ตะออรดจะต้องเป็นมันจะเป็นดินเห็นหมมันมันมันที่เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยละเลยจะรีดประเพณีแบบแผนต่างๆเห็นแก่ตัวชัดเจนให้ความต้องการแก่ตัวกับลูกของตัวไม่ได้รู้ว่าบ้านเมืองมันจะปวนขนาดไหน ตัวนี้จงกาเป็นบทเรียนว่าคนที่อยู่ในจุดซึ่งสําคัญจุดที่สูงเนี่ยมันไปรู้สึกแบ่งแยกอย่างนั้นไม่ได้เขามีสิทธิ์รู้สึกต่อเรานะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดต่อเขามันก็เหมือนกับอะไรฮะที่เขาบุกบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงกรุณาเสมอกันพระเทวทัตกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าทรงมีพระกรุณาเสมอการเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นโลกเชิด เป็นพี่ชายคนโตของชาวโลกเป็นโล ก, กนธาเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโลกกนายกเป็นผู้นำของชาวโลกเราไม่มีสิทธิ์ไปโกรธอะไรเขาล่ะอยากโกรธก็โกรธไปอยากด่าก็ด่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราต้องมองเขาเป็นคนที่เราต้องดูแลแต่ต้องเอาใจใส่ต้องบำบัดทุกข์ให้บํารุงสุขให้เขาถ้าไม่ทําก็อย่าอยู่ตรงนั้นแต่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ต้องทํา นี่คือปัญหาที่น่าคิดนะเราจะเห็นว่าจุดจุดบอดที่สามเรื่องที่ยกมาเนี่ยและในที่สุดมันก็จบลงที่ความแตกแยกเห็นไหมก็เรื่องรามเกียร์ก็ลากกันยุ่งรุงรังพันเตเลยถ้าหากว่านางกกยเกสีแกไม่ริษยาแกไม่เห็นแกตัวไม่ได้ขอให้ประพุทครองอโยธยาเนี่ยลองลองลอ ง, ลองนึกภาพดูฮะ พระรามพระลักษมณ์นงสีดาก็อยู่เที่อยุธยานางสมณขาจะมาเจอกับพระรามได้ยังไงก็อยู่ในรั้วในวังในเมืองแล้วเมื่อไม่เจอก็ ก, การทะเลาะวิวาสเพื่อต้องการที่จะได้พระรามไปครอบครองก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดนางก็ไม่ได้ไปหาทศ ก, การฐ์มาเป็นแนวร่วมเพื่อให้มายุ่แย้งกับนางสีดาเพราะนางสีดาก็เป็นราชินีอยู่ในวัง ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแรงริษยาตัวนี้ก็ลากันไปยุ่งกันไปหมดความคิดยิงถือเป็นเรื่องใหญ่เอาสังเกตว่าโลกชีวิตสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างที่มันเป็นแหละปัญห า, าเราคิดมันอย่างไงเรามีท่าทีต่อมันอยางไงแต่เราคิดได้เป็นคิดได้ชอบก็เรียกว่า สมาสังกปะจุดดำริในทางที่ชอบได้เรื่องเหล่าอื่นก็พลิกผันไปได้ทีนี้เราก็มองในแนวของในแนวในทางที่ชอบไปลองสังเกตนะฮะว่าการที่ท่านเหล่านั้นตกลงผูกพันกันด้วยการแต่งงานในข้าราชกาบริพารที่โดยเสด็จทั้งหลายเนี่ยมันก็รักราชกุมารราชุมารีเหล่านั้น แต่สมมติมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมามันกลายเป็นสองแรงแข่งขันที่วนเหล่านั้นจะถวายความยงรักปกดีมาทั้งตัวพระราชาและก็ปราชินีแต่พวกนี้ปกครองโดยสภานะฮะปกครองแบบสามกิจธรรมทีนี้มาเรามองดูถึงประเชศท่ิพักินีเราจะเห็นว่าท่านท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวท่านนึกถึงเกียรติภูมิศักดิ์ศรีเกียรติยศ ของราชวงศ์ซึ่งสถาปนาขึ้นมาใหม่เมื่อมีคนเป็นโรคเรื้อนอยู่ภายในวังก็ควรลบหบไปเสก่อนก็อย่าให้เป็นที่รู้กันก็รู้กันในวงแคบๆทีนี้เมื่อไปเจอกับพระเจ้ารามเนี่ยแล้วก็จนตกลงช่วยเหลือกันเขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยนะพวกกษัตริย์เนี่ยเขาเรียกมารยากษัตริย์หมายความแกล้ๆกระโ้ดลับอะไรที่ก็ติดต่อเขารู้นะะว่าใครเป็นใครเนี่ย เราลองนึกดูเอ๊มันรู้ได้ยังไงอ่ะใครเป็นวันหน้าอะไรรู้ได้ยังไงนะไอตอนธรรมดาธรรมดาแต่งองค์ทรงเครื่องก็อาจจะรู้นะแะต่สมมติเราไปเที่ยวชายทะเลกันนะไปอาบน้าทะเลนรู้ได้ยังไงใครเป็นกษัตริย์ใครเป็นพราหมณ์ใครเป็นแพทย์เป็นสูตรเนี่ยเพราะแสดงว่าเขาก็ต้องมีอะไรที่สังเกตในเขากับคนอื่นในความเหมือนกันในความเป็นพวกเดียวกันกับต่างพวกกัน มันยังปลอมแรงกันไม่ค่อยได้เช่นะสมมุติว่าพวกกษัตริย์หรือพวกแพทย์จะปลอมตัวเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยพวกพราหมณ์จะปลอมตัวเป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์จะปลอมเป็นพราหมเนี่ยจะปลอมยาเพราะว่ามันมีเครื่องมือในการพิสูจน์แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องการให้เป็นภาระของพระอนุชาและพระโอรส ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเปิดเกิดมิตรขึ้นมาทางสายเลือดแล้วเรื่งเกี่ยวดองกันทางสายเลือดแล้วก็คือเมืองพารณาณสีก็ได้พวกหนึ่งคือสืบสายมาจากเมืองพารณาณสีก็แสดงว่าเวลานั้นก็มีมีเมืองอยู่สี่เมืองแล้วเมืองพารณาณสีเมืองเทวทหะเมืองกบิลพัทแล้วก็เมืองเดิมมันก็ขยายเป็น พันธมิตรเกี่ยวข้องผูกพันสัมพั์กันโดยอาศัยสายใหญ่สายเลือดบ้างในเรื่องอื่นๆบ้างแต่เราสังเกตว่าพอแนวสร้างสาเมันก็กลายเป็นเรื่องที่ดีหมดท่านกบินละมุนีอยู่ดีมีสุขอยู่ในสถานที่นั้นมีความรู้สึกเมตตาสงสารปรารถนานดีตร่ราชกุมารก็มอบป่าทั้งป่าให้เลย ให้เป็นที่อยู่ของท่านอย่าลืมนะฤาษีท่านมีตาบะนะแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนฤาษีแล้วก็เสียสละให้แล้วก็ก้ากายเป็นเชื่อมโยงกันว่าคนที่เคารพต้องถือฤาษีก็มารักราชกุมารเหล่านั้นราชกุมารีเหล่านั้นด้วยก็ทํานองคล้ายๆกับลูกศิษย์ของพระดาบบด คนที่รับผิดว่ารับทลก็กลายเป็นได้พวกมันเป็นวิธีการที่ที่แหลมคมนะคือแต่ละจุดแต่เรามองกันดีไม่ใช่เบาเลยคือจัดการกับปัญหาต่างๆทุกเรื่องสังการสร้างสค์าการปรับปรุงแก้ไขาการพัฒนาระหว่างคนกับคนระหว่างหน้าที่การงานต่างๆพัฒนาอาชีพเราอย่าลืมนะว่าอยู่กลายภูเขาหิมาลายัย ก็จะหนักไปในทางการทำนาพนะระเจ้าส่งอื่นเราก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนพระเจ้าสุโธนะแรกนาเนี่ยก็แสดงพรแรกนาเองเ่ยแรกนาด้วยพระองค์เองแล้วก็มีป่าคือเชิงใกล้ๆกับกรุงอภิรพัฒน์เน่มีป่าเรียกมาวันเหมือนกันเป็นป่าใหญ่แล้วก็ เป็นใช้สอยประโยชน์ร่วมกันเพราะงั้นความรู้สึกของคนที่เขามีทั้งสองแนวนะฮะทั้งสองแนวก็แสดงว่าแนวเดิมนะะมนุษย์มนุษย์เดียวนี้ก็เป็นอย่างนั้นปัญหาว่าใครเป็นใครนะไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเรามีท่าทีต่อเขาอย่างไงเรารู้สึกต่อเขาอย่างไง ถ้าเริ่มต้นที่ความเป็นมิตรได้เนี่ยมันก็เป็นมิตรเกิดขึ้นได้ทันทีอยู่แล้วมันเพียงแต่ความรู้สึกเฉยๆแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะปรับความรู้สึกได้ไม่เป็นเรื่องหน้าอนเนตนอะอย่างที่เคยเล่าว่าชีวิตมาเองเนี่ยเคยเคยพบพระระดับหลวงปู่อายุร้อยกว่านะมาก็ไปกราบท่านเราก็เห็นผู้เท่าลราก็อยากจะไปกราบ ท่านดีใจใหญ่เลยนะจับมือนั่นท่านนอนอยู่บนเตียงพอท่านสงฟังเกี่ยวคุณพูดทุกเช้าฟังรายการธรรมะความมาหลายปีแล้วว่ามาออกอากาศมาตั้ง511นะครับถามไปทํามมาถามวาบ้านช่องอยู่ที่ไหนเป็นคนที่ไหนก็บอกว่าอยู่นครเนี่ยมือที่จับเนี่ยมันร่วงพลอยลง เ, เพราะว่าท่านไปทะเลาะ ก, กับพระสงรา อาตมาก็อยู่ภาคใต้นะสงขลากันคนครก็เป็นภาคใต้ท่านก็เลยเกลียดไปด้วยอย่างนึกโอ้โหพลังความเกลียดความริษยานี่แปลกจังเลยนะท่านชื่นชมมาตั้งหลายปีนะฮะแล้วก็ผิดเทียดมาเป็นคนนครศรีธรรมราษฎร์นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ทําผิดอะไรเพรานี้มันไปเกิดภาคเดียวจังหวัดสงขลาเลยเราไม่รู้จะทำํำยังไงไอันนี้คือคือความรู้สึกเกิดมาที่จริงเป็นความรู้สึ ก, ค ว, สกความรู้สึกก่อน ท, ทําไมท่านชื่นชมได้ แล้วทำไมปรู้ว่าเราอยู่นครท่านจึงไม่ชื่นชมนะแต่ไม่ได้โกรธอะไรเราไม่ได้แสดงความโกรธอะไรเราเหือความชื่นชมมันหายไปดีกรีมันลดลงไปเพราะว่ามันมีความรู้สึกไม่ดีต่ออีกท่านหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับท่านนะอันนี้ก็กลายเป็นก็คิดอยู่ด้วยเออมันก็แปลกเดีกันเป็นความคิดเฉยๆความรู้สึกเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันเป็นความรู้สึกเฉยๆ แล้วก็ปรับกันได้นะะคนหนึ่งเป็นปลูกพันธุ์กันสายเลือดเลยฮะขับไล่เลยคนหนึ่งไม่รู้จักมัก่งกีกันมาก่อนเลยให้ที่สร้างบ้านสร้างเมืองเลยเห็นนะฮะเป็นเรื่องของรู้สึกแท้ๆต้องฟังเท่าไหร่แต่ลงมาบทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้ยเวลาเป็นกำนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี